พญานครราชผู้มาครั้ง คือถึงจะนุ่งแม้จะดูเป็นอาหารพื้นเมืองทั่วไปแต่งกายอย่างชาวบ้านธรรมดา อย่างไรก็ดีท่านก็ไม่แน่ใจว่าอาหารที่มีรสชาติพิเศษนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่า ครั้งนี้ท่านพูดคุยธรรมดาแล้วก็ถามถึงโยมคนที่ว่านี้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนคุยธรรมดาแล้วก็ถามถึงโยมคนที่ เออจริงสินึกได้แล้วเห็นๆเหมือนกันนึกว่าเป็น นำท่านถามไม้และอาหารมาถวายจังหันฉันเคย แต่ชายผู้นั้นไม่ได้ร่วมวงรับประทานกับกลุ่มใดชายผู้นั้นไม่ได้ร่วมวงรับ ปรากฏว่าว่าพอรับจากศาลาเขาก็ท่านเคยถามเขาว่าต้องการอะไร เขาก็เรียนศีลผู้ทรงศีลภาวนาเช่นไรพญานาคก็ ก็ยังสู้ในการปัจจุบันบารมีหอมนักศีลบําเพ็ญภาวนาจนตัวตาย ท่านถามถึงการเนรมิตกายพระๆ <laughs> <laughs> ครู่เดียวก็แล้วกลับเป็นหญิงสาวสวยหายไปอีกสักครู่หนึ่งมารน้อยเข้ามา พญาการเนรมิตกายต่างๆกันเช่น เห็นเป็นภาพทั้งช้างทั้งเสือพร้อมๆกัน คาขาวผู้หญิงเสือมนุษย์กษัตริย์สารพัดท่านๆนั้น 3 าง, 5 าง, 7 ทั้งแต่บางทีเขาก็มาหาท่านในร่างของมนุษย์นาคและนาง